พระธรรมเทศนาลำดับที่หกโดยหลวงพ่ออินวไยสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าไม้งามเพราะแก่นชาติแกลงเพราะผู้นำเมื่อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ไปนุ่นนะไปเห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมแล้วก็โอ้น้ำท่วมจริงๆ อุตกะภัยภัยเกิดจากน้ำท่วมเสียหายมากทีเดียวอยู่ด้วยความลำบากมากทั้งสองฝากฝั่งบางแห่งมองแล้วเป็นทะเลสาบจุดลุกหูลูกตาพึ่งใครๆก็ไม่พึ่งปรารถนาแต่มันพบมันเจอหลวงตามหาบัวท่านจึงท่านจึงบอกว่า เ, เงินอยู่ในคงคัง ที่ลุงตาต่อต้านไว้ลุงตาห้ามไว้อย่าเอามาใช้นะเงินคงคังเนี่ยเจ็ดแปดแสนล้านเนี่ยเป็นเงินรัชการที่ห้าท่านเก็บเอาไว้จนมาถึงเดี๋ยวนี้เงินเดี๋ยวนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดแสนล้านเป็นเงินอยู่ในคงคลังอย่าเอามาใช้ที่รัฐบาลนี่ก็พอได้เป็นรัฐบาลเขาก็พูดขึ้นมาก่อนแล้วว่าจะเอาเงินคงคังออกมาตั้งเป็นกองทุน มั่งคั่งหลายหลักษณะนั้นทางฝ่ายคณะสงฆลูกศิษย์หลวงตาเราเนี่ยก็เลยไปห้ามเอาไว้หลวงตาบอกว่ายายไม่ให้ยุ่งนะเงินก้อนนี้ถ้าเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้แล้วก็ เ, เขียนใบาตายให้เลยอันทันว่างั้นนะประเทศมันจะกวงกวงก็คืออะไรมันมันเป็นโพรงข้างในต้นไม้เปนเป็ น, ปนมันไม่มีแก่นนะมันกวงมันพร้อมที่จะล้มได้ทั้งได้ทุกเวลา ถ้าหากว่าไม่มีเงินก้อนนี้สนับสนุนเพรอในเงินก้อนนี้ถ้ามัจําเป็นจริงอย่านํามาใช้ให้เก็บเว็นอีก่องถ้ามันจําเป็นจริงอย่างเนี้แหละน้ําท่วมออน้ําท่วมมากเราจะไปยืมเงินจากประเทศไหนมาใช้ในเมื่อมันคราวจําจเป็นอย่างเนี้ถ้าน้ําท่วมขึ้นมาเราก็จําเป็นได้ใช้เงินก้อนนี้แผ่นดินไหว สึนามิอย่างญี่ปุ่นเสียสวนแผ่นดินไหวอย่างเสียสวนสีนามิอย่างญี่ปุ่นน้ําท่วมมอนประเทศพามา่าพวกเราคงได้ยินแหละถ้ามันเกิดภัยวิบัติอย่างนั้นแล้วเราจะหาเงินจากที่ไหนมาทันท่วงทีมันต้องเงินก้อนนี้หลวงตามหาบัวท่านสั่งเสียเอาไว้นะหลวงพ่อเนเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นะทางรัฐบาลไหนก็เถอดยุคไหนก็เถอะถ้าจะเอาเงินออกมาใช้ใช่ คนที่เอาเงินออกมาใช้นั้นมันไม่ไ ม, ไม่ไม่กี่ร้อยคนนะผู้แทนมีกี่คนรัฐมนตรีมีกี่คนตราเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดออกมาเมื่อกำหนดออกมาแล้วก็ว่าออกมาใช้เงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้เงินตามปกติเงินก็ต้องหมุนมันจึงใหญ่ถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาเงินออกมาหมุ น, มนเงินมันก็ไม่ใหญ่เงินมันก็เล็ก มีแต่กินดอกเท่านั้นมันเล็กถ้ า, าออกมาหากำไรมันจะใหญ่แต่พวกเราพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่เชื่อผู้ที่จะเอาเงินออกมาหมุนถ้า อ, าออกมาหมุนแล้วมันใหญ่ขึ้นไปข้างหน้าเราไม่ว่าถ้าหมุนลงทด้ไล้วมันกุดมันด้วนเข้ามาล่ะใครเป็นคนรับผิดชอบในจุดนั้นผู้แทนรัฐบาลใครจะเป็นคนรับผิดชอบแล้ว ก, ก็โยนกันไปโยงเงินมาเขา เขียนเวรกรรมทั้งหลายจะตกกับพี่น้องประชาชนหกสิบกว่าล้านคนเน่ยเพราะมันกวงอย่างที่ว่า เ, เอาเงินออกไปใช้แล้วเนี่ยเห็นไหมประเทศกรีบเนี่ยอันนี้นะประชานิยมนั่นะให้รัฐบาลนี่ขึ้นมาเอาเอาขนกันออกมาใช้พอรัฐบาลหน้าออกมาข่าไม่รู้อย่างเนยอย่างท่านรัฐมนตรีนายกคงเราทุกทุกวันเนี่ยนะเอาออกมาใช้ ถ้าต่อไปไม่ได้เป็นรัฐบาลนะข้าไม่รู้ผมไม่รู้รัฐบาลชุดนั้นเอาออกมาใช้ผมไม่ทราบทีนี้ผลออกมาแล้วเป็นยังไงตกกับพี่น้องประชาชนหกสิบกว่าล้านคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะตายเลยลอยแพแลวพวกเราเพระาะน่้นหลวงตาสั่งไว้ในพวกรูกลานศรัทธาญาติโยมทุกคนฟังเอาไว้นะท่านเป็นห่วงนะถ้าว่ามีกลูบาอาจาร ทางฝ่ายพระสงฆ์บันตารไดยบอกว่าเอ้ยพวกเราต้องคัดค้านอย่าให้เอาเงินก่อนนี้ออกมาใช้พวกเราต้องยืนจืนเกียงบา่าเกียงไหลเล ย, เยถึงจะทุกจนยังไงก็หาเงินก้อนอื่นมาใช้ก่อนพอเรามอบความไว้วางใจกับรัฐบาลนะให้เข้าไปบริหารประเทศนะเไม่ใช่ว่าปุกปรับเข้าไปแล้วกดเห็นโฉนดพ่อเอาโฉนดพ่อมาขายเลยใครก็ทาได้ใช่ไหมปุกปับขึ้นมาก็เห็นโฉนด เห็นเอาโฉนดพ่อมาขายเลยนะมันก็รวยเลยสิเอาโฉนดพ่อมาขายนี่ก็เหมือนกันเป็นปุบปับเป็นรัฐบาลขึ้นมาจะเอาเงินรัชการที่หเงินคงคลังในแผ่นดินออกมาใช้ไม่น่าจะถูกต้องนะหลวงพ่อว่านี่ก็เป็นห่วงเพราะนั้นคณะชาติญานโยมมาจากต่างถิ่นแดนหลวงพ่อในนามพระนริสงได้รับพินัยกรรมจากองค์หลวงตาน่ยอ่านเล้ที่หนังสือในพินัยกรรมที่หลวงพ่อแจกไปน่ยหนังสือองค์หลวงตาน่ย แท่านเป็นห่วงนะท่านบอกว่าเงินเมื่อเราตายไปเมื่อเรามรณภาพลงไปเงินที่พี่น้องประชาชนนํามาทําบุญกับงานศพของเราให้นําเงินแล้วก็เงินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ที่มันมีมากน้อยให้ไปซื้อทองคําแล้วก็หลอมเป็นทองคําแท่งแล้วเงินที่มาบริจาคในงาน ศพของเราที่เราตายไปนะ่ยมรณ า, าพาลงไปนะี่พี่น้องประชาชนนำมาบริจาคให้นำเงินทั้งหมดไปซื้อทองคาและขลอมเป็นทองคาแท่งเอาไปเข้าคลังหลวงทั้งหมดเราไม่ให้บุคคลใดคณะบุคคลใดนำไปใชออ้แล้วก็ทำให้เปิดเผยนี่อันนี้หลวงพ่อได้จัดการตามพินัยกรรมห ล, หลวงตาหลวงปูงพ่อเนิดหนึ่ง ห น, หนึ่งในสองค์คือองค์หนึ่งก็คือหลวงปู่ฟักสันติธรมโมวัดเขาน้อยสามผานท่านกรมรณาภาพไปก่อนแล้วองค์ที่สองก็คือหลวงพ่ออินทวายเนี่ยนะสันตุสโกเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยแล้องค์ที่สมก็คือท่านพระปัญญาปัญญาวัโทก็คือพระฟรังท่านกรมรณาภาพไปแล้วองค์ที่สก็คือพระอาจารย์บัญชัยบิจิตโตวัดภูสังโฆท่านป่วยท่านไม่สบาย ท่านก็ไม่ได้มาร่วมงานไม่ได้มาจัดการเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็เลยทำหน้าที่ลูกพ่อสั่งมาแล้วพ่อสั่งว่าล้ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะตามเปในกรรมหลวงพ่อก็กระโดดออกไปไปทาหน้าที่ที่พ่อสั่งทาตามหน้าที่ที่พ่อสั่งหลวงพ่อก็ได้จัดการงานอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะแต่บางคนเขาว่าโอ้หลวงพ่ออินอยากดังเลยไม่ใช่ทำตามหน้าที่ที่พ่อสั่ง ดังนั้นก็จะตุปัจจัยหลวงพ่อก็ทําอย่างเปิดเผยนะได้เงินทั้งหมด4ี่ร้ล้านนะแล้วก็ทองคําได้หนึ่งสิบกว่ากิโลงานล ง, ลงตาเพียงเดือนกว่ากว่าจากนั้นก็จัดการซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทองคําที่เข้าคลังหลวงที่ตามความประสงค์ของหลวงตานะ่ะได้ทั้งหมดสิบาตันสิาตันกว่าและก็เงินตอนล่าอีกสิบล้านดอนล่า ลงตามอบเข้าคัางหลวงเนะนี่แหละพี่น้องประชาชนทุกวันในเศรษฐกิจเมืองไทยที่จะเป็นยังไงเงินคงคลังของประเทศไทยก็ยังมั่นคงอยู่ อ, อพิมพ์ธนบัตรออกมาก็ยังเป็นคุณค่าเงินยังแข็งปก๊กอะเพราะเหตุไรเพราะว่าเงินคงคลังของเราเนี่ยค้ำธนบัตรอยู่เนพะราะฉะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมนะลงตามหมาบัวเนี่ยเอ เป็นห่วงประาติบ้านเมืองจริงๆและก็พร้อมกันพี่น้องประชาชนในขณะที่หลวงพ่อจัดงานองค์หลวงตาอยู่นั่นน่ะพวกผู้สีข่าวข่าวต่างๆสื่อต่างๆไม่ว่าโทรทัศน์ไม่ว่าวิทยุไม่ว่านักสือพิมพ์เขาเข้ามาสัมภาษณ์หลวงพ่อหนะลวงพ่อก็พูดเสียงเดียวเลยว่าทำไมหลวงตามหาบัวมรณะภาพลงไปนผมพวกผมคิดว่าคนคงจะมาเพียงวันสองวัน แล้วก็จะจืดจางไปเหมือนกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆแต่นี้หลวงตาบรรณภาพลงไปแล้วคนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชดูแล้วไม่ไม่ใช่จะล่าถอยไปนะหนาขึ้นทุกวันทุกวันแต่อก่อนหน้านี้ก็เรียงคิวตั้งแต่หน้าศาลาแต่ด้นึยโดนเรียงคิวตั้งแต่ประตูวัดเพื่อจะเข้ามากราบศรีระขององค์หลวงตาไม่เคยไม่เห็นไม่เคยเห็นว่า คนจะนับถือเลื่อมใสามากขนาดนี้เป็นพ่อเหตุอไรพ่อเป็นตามกระแสรหรือเปล่าหรือว่าตามกระแสคนเห่ขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าท่านมีความเห็น เ, เขาถามท่านมีความเห็นอย่างไรหลวงพ่อก็ตอบไปเลยบอกว่าตามความเห็นของหลวงพ่อนะหลวงตาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้ทั้งให้ธรรมะด้วยธรรมทานของหลวงตาเนี่ยออกจากสถานีวิทยุได้เท่าไหร่ ธรรมทานของหลวงตาไทยธรรมะในภาคปฏิบัติถ้าพวกเรานำไปปฏิบัติแล้วจะได้ผลตังอย่างที่หลวงตาพูดไม่เป็นอย่างอื่นและอย่างต่อมาหลวงตาเป็นผู้เสียสละจะตุปัจจัยที่ได้มาทั้งหลายทั้งมวลช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยคนยากจนช่วยกระทั่งหมาพิการแต่ละวันเห็นไหที่ท่านพูดได้มาเท่าไหร่ท่านก็ช่วยเหลือชุมชนและสังคม นี่แหละหลงตาเป็นผู้เสียสละและคณะสุดท้ายญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาอย่างน้อยกับพ่อแม่พี่น้องได้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลก็ได้ใช้เครื่องมือแพทย์ของลวงตาก่อนล้ำลึกถึงพระคุณของหลงตาครออาวนี้ลงตาเป็นออครั้งสุดท้ายของลวงตาแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของลงตาอีกตายงลวงตาตายมรณะภาพลงไปแล้วออจบแล้วในชาติเอง และท่านเกิดจะว่าท่านจะไม่มาเกิดในโลกได้อีกเป็นอนันตการเพราะนั้นพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันมาเพื่อสง่งมากระพร ะ, ะสรีระขององค์หลวงตาอพอหลวงตาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเมตตาต่อ ม, มวลมนุษย์ไม่ว่าทุกที่ทไหนๆถ้ า, าว่าหลวงตาขี้ตนีทีเหนียวละ่ะหลวงตาไม่ยอมแบ่งปันใครละ่ะ หลวงพ่ออินเนี่ยแหะองค์หนึ่งไม่มาไม่เข้ามาใกล้ทานลอันนี้ที่หลวงตาเป็นผู้เสียสละนี่แหละหลวงพ่อจึงยอมทุกอย่างเพราะหลวงตาเป็นผู้มีน้าใจเป็นผู้มเมตตาโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นถุกท่าว่าคนทั้งโลกนี่นะมีอย่างหลวงตาเนี่ยจังหวัดลจังหวัดละองค์เนละหรือฤาษีภาคภาคทั้หนึ่งองค์เป็นผู้เสียสละอย่างหลวงตาเนี่ย หลวงวะหลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรือ ง, องมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เช่น้อยเหมือนกันนะ เ, เพราะเห้พราเหตุอะไรเพราะหลวงตาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีน้ำใจอมีแตให้ เ, เห็นไหมที่ท่านทาทุกอย่างามีแตธรรมทานแจกเป็นธรรมทานคนทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะหลวงพ่อให้เหตุผลแก่สื่อต่างๆะ แต่หลวงพ่อคิดดูแล้วคนหลวงพ่อคิดว่าให้ไปแล้วหลวงพ่อก็มั่นใจว่าไม่ผิดเพราะหลวงตาเป็นผู้เสียสละจริงๆอต่อประเทศชาติบ้านเมืองขนาดหายใจเฮือกสุดท้ายของท่านท่านยังเขียนพินัยกรรมไว้เลยว่าเมื่อเราตายไปแล้วเงินพี่น้องมาทำบุญกับศพของเรากับงานของเราทุกบาททุกสตางค์ให้ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดเนี่มีไหม ในประวัติศาสตร์ในเมืองไทยของเรามีไหมอย่างนี้แล้วก็ที่หาทองคำเข้าคลังหลวงถึงสิบสามตันมีไหมตั้งแต่ตั้งประเทศชาติบ้านเมืองชาติไทยเรามาแล้วลงตาได้อะไรลงตาไปแล้วท่านได้อะไรกระดูกท่านก็ทิ้งทุกอย่างท่านทิ้งทั้งหมดแต่ขณะที่ท่านอยู่ท่านช่วยประเทศชาตินี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านอย่างน้อยก็ พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นจิตยานุสิษธิ์ขององค์หลวงตาที่ได้ฟังทำมเทศนาของหลวงตาอย่างน้อยก็ให้เป็นผู้มีเสียสละให้อภัยซึ่งกันและกันให้รู้จักผู้น้อยกว่าด้อยกว่าเราสมมุติว่าเราตาดีเราก็ต้องมองมองเห็นคนตาบอดเราจะไปเอารัดเปียบคนตาบอดในเมื่อเรามีความสุขอยู่ดีเราก็ต้องมองเห็นคนที่ยากจนกว่าเรา ด้อยกว่าเรานะีสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ทุกคนนะให้มีน้ําใจมีเมตตาถ้าเราทําได้อย่างนี้ประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราอยู่ด้วยกันก็จะร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่แหละนี่คือทำทำคําสอนคือเมตตาธรรมเมตตาธรรมําจุนโลกแต่คนมีเมตตาธรรมในยุคในยุค ใ, ใดสมัยใดยุคโลกยุคนั้นสมัยนั้นลนะ่ะร่มเย็นเป็นสุขนะ นี่แหละลงตาท่านก่แนะนําวิธีพวกเราสัจจคตคณะรัตยาญาติโยมเรื่องการทําบุญทําทานเรื่องทานนี่แหละ เ, เป็นเบื้องต้นอย่ามองข้ามเรื่องศีลก็ใช่เรื่องภาวนาก็ใช่เป็นอนิสงส์้วยการทั้งนั้นแต่เรื่องทานเนี่ยเป็นกุญแจดอกแรกที่จะนําไปสู่ความสุขอย่างพระพุทธศาสนาของพวกเราพวกเราคิดดูให้ดีที่ว่า ถ้าพวกเราไม่ใส่บาตรไม่ใส่บาตรพระสงฆ์ซะพระสงฆ์จะอยู่จะอยู่ไม่ได้ในศาสนาเพราะอะไรเพราะไม่มีใครไม่มีใครสนับสนุนพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรพระสงฆ์จะอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นไม่เมื่อเนือไม่มีพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ไม่มีแก่การเรียนแก่การศึกษาในการปฏิบัติและจะนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้า มาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่คณะทธาญาิโยมฟังได้อย่างไรใ น, ในเมื่อไม่มีพระสงฆ์นี่แหละพระธรรมก็หมดไปเพราะนั้นมันกุญแจอย่างที่หลวงพ่อพูดนะ่หลวงตาท่านบอกว่านี่การทำบุญทำทานเนอร์อย่าประมาทเป็นการยันจันลงพระพุทธศาสนาเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสุดซึง้งมองไม่เห็นแต่มันเป็นเรื่องที่อันดับแรกในเรื่องการทาบุญ อให้เข้าไปใส่บาตรตักบาตรพระสงฆ์ในเมื่อพระสงฆ์อมีอาหารการบริโภคพอเป็นไปได้ก็จะดำดำรงพระพุทธศาสนาอยู่นานเท่านานถ้าว่าไม่มีผู้ใดทำบุญซะไม่มีใครตักบาตรอย่างเนี้ยพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรพระพุทธองค์เองสมัยครั้งพุทธกาลพระองค์ก็บินธบาตทุกวันเขาก็ใส่บาตรพระพุทธองค์ททระพุ ท, อ ง, พพทองค์ทุกวันอ เวลาเดินไปกับพระสงฆ์ในตักบาตรพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นสมัยนี้ก็หลวงตาก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวจนท่านอายุแก่ง่อมท่านบอกว่าไม่ไหวพอเดินไปแล้วญาติโยมใส่บาตรบางทีเอ า, เอ า, เ, อาเอาน้ำใส่เป็นแผลเอานมใส่เป็นแผลมันกระตุกบาของท่านทันว่าไม่ไม่ไหวท่านว่ า, างั้นนะ แลมันจะเป็นลมไปเอาเถอะเราบวกลบคูณหารดูแล้วเราไปเดินจงกรมอยู่ในปา่าและให้พวกพระบินทะบาทได้เวลาแล้วเราจึงจะมามาขึ้นศาลาเลยเราก็ออกจากกุฏิของเราแล้วเราก็ไปเดินจงกรมอจนกว่าได้เวลาแล้วก็เราก็เดินมาศาลาอมาก็ลงมาฉันเราก็ไม่ได้บิบินทบาทเพราะบินทบาทไม่ไหวแล้วอายุเรามากแก่แล้ว เวลาญาติโยมใส่บาตมันวิ่งเวียนศะีรษะทัมาเลยนี่แหละขนาดน่านหลวงตาท่านโปรดศรัทธาญาติโยมจากนั้นเขาก็มาฉันที่ศาลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้หลวงตาพาดําเนินทุกอย่างอย่างเพราะนั้นพวกเราฝ่ายพระสงฆ์ก็ดีฝ่ายคณะศรัทธาญ า, าติโยมก็ดีหลวงตาแนะนําสั่งสอนอย่างไรอ แล้วก็ปฏิบัติตามทำคำสอนขององค์หลวงตาเดี๋ยวนี้องค์หลวงตาทันเทศทุกสถานีวิทยุหลวงพ่อแนะนำว่านี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เคารพนับถือในพระพุทธศาสนาให้ศึกษาให้ศึกษาดูให้ดีพระสงฆ์ทุกวันนี้มีมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ได้ยินเดี๋ยวหนึ่งเดียวกายุกโพขึ้นม า, าเดียวกยุกโพขึ้นมา ทําสิ่งแปลกๆค่ะแต่ถึงยังไงพวกเราอย่าไปชักท้านวันไหวไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ยัยในครั้งพุทธการกับไงในครั้งพระพุทธเจ้าก็จะมีพระสงฆ์สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อไหร่ขนาดพระเทวทัตพระพุทธเจ้าเป่าเป่ากระหม่อมบวชเข้ามาในพุทธศาสนาจนหอเหินเดินฟ้าได้นะพระเทวทัตไม่ใช่ธรรมดานะได้ฌานโลกีเนี่ย แสดงฤทธิ์ได้เลยเหาะได้เลยด้วยชาโนกีแต่คิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าเลยนี่ยพอคิดจะฆ่าเท่านั้นใจมันใจมั น, มนดั่มเข้ามาเลยเป็นบาปอากุศลเข้าสู่จิตใจชาญเสื่อมเลยเสื่อมจากจากชาญเป็นพระธรรมดาแต่วัดในใจในคิดอิจฉาพยาบาทพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวล่ำเวลานี่เ น, นี่ยพวกท่านกันเนี่ยเห็นไหมให้ ไปสมคบกับพระเจ้าอา ช, ชาติชรตรูเพืเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารนะปล่อยช้างนาลากิลิงให้ฆ่าพระพุทธเจ้าปล่อยให้จ้างนายคำังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าขึ้นไปบนภูเขาเก่งหินเพื่อจะให้ทับพระพุทธเจ้าวพวกเราคิดดูสิว่าพระในครั้งนั้นย่อยเมื่อไหร่พวกนั้นพวกเราเห็นเพียงแค่นี้เนี่ยยังจิ๊บจ้อยนะ การต้นศาสนาต้นพระพุทธศาสนาแท้ๆก็ยังมีอริศัตรูที่จะทําร้ายทํำลายเห็เพราะนั้นพวกเราอย่าวันไหวเรื่องอะไรก็ตามให้ฟังเอาไว้เรามีสองหูเรามีสองตาอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นวินยัยอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องเราควรจะแยกแยะเน่อย่าไปถล่มไปฟังข้างใดข้างหนึ่งเชื่อข้างใดข้างหนึ่งเราต้องฟังตาม ถ้าใครเชื่อทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์ยาุศิษย์ของหลวงปู่มั่นเห็นไหมเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเมื่อท่านตายไปแล้วเมื่อได้พระราชทานเพลิงไปแล้วอัติธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ อย่างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นหรือของหลวงตาหรือองค์ไหนก็ตามได้กลายเป็นพระธาตุในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วกระดูกที่กลายเป็นพระธาตุนั้นไม่ใช่อื่นไกลนั่นแหละคือกระดูกของพระอรหันต์ให้พวกเราเชื่อว่านี่คือกระดูกของพระอรหันต์ถ้าเป็นกระดูกปุถุชนแล้วจะไม่เป็นเพราะฉนั้นเราก็ต้องศึกษาที่ว่าที่ท่านแนะนําสั่งสอนมาในธำรกิจของท่านหรือธรรมเทศนาของท่าน หรือว่าประวัติของท่านท่านทำอย่างไรนี่แหละท่านทำอย่างไรท่านจึงได้กระดูกเป็นพระอรหันต์กระดูกของท่านจึงได้กลายเป็นพระธาตุนี่แหละเราก็ต้องฟังในเมื่อฟังแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแต่บางองค์ท่านอาจจะแนะนำอย่างหนึ่งองค์องค์อย่างแนะนำอย่างหนึ่งแต่ถึงแนะนำอย่างไรก็ตามเราให้ศึกษาและค้นคว้าศึกษาจากนั้นก็ น, นมาประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อมั่นใจและเกินว่า แนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดเพราะอธิธาตุของท่านก็เป็นสขีพยานให้พวกเราได้เห็นอยู่แล้วพวกเรายังไม่เชื่ออยู่ด้ยถ้าไม่เชื่อขนาดนี้แล้วก็เออไม่ไม่ไม่รู้จะเอาจุดไหนมายืนยันอีกนี่แหละพอพวกเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองตั้งตาตั้งใจภาวนานะ ภาวนาคือทำจิตใจให้สงบอย่างหลวงปู่มั่นท่านสอนให้บริกรรมพุทธโทนะ่าพวกเราอยู่บ้านอยู่เรือนเป็นคราวาสญาติโยมปฏิบัติได้ไหมหลวงพ่อได้ท่านไม่ได้ห้ามฆราวาสญาติโยมเป็นสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็มีตั้งเยอะแยะในครั้งพุทธกาลพระโสดาสกทาคาพระโสดาบันนี่มากที่สุดอาจจะมากกว่าพระในครั้งพุทธกาล พอพระพุทธเจ้าเทศจิตใจของท่านเกิดความเคารพเรื่อมใสนับถือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนี้พูดอย่างรวดรัดนะจากนั้นท่านก็ยึดแนวทางเนี่ยท่านก็ภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายวิธีการทํำยังไงอันดับแรกหลวงพ่อแนะนำว่าให้ไหว้พระนะพอกลางคืน เร่องว่าช่วงว่างๆกลางวันก็ไหนกลางคืนก็าไหนช่วงที่มันว่างๆไหว้พระอาราหังสวากโตสุปฏิปัโนนมโมตัสโนบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุปิดโทรศัพท์นะช่วงนั้นให้ปิดซะก่อนนะทําให้ปิดไม่ได้มันรบกวนทำให้ยุ่งทําเสียงรบกวนมันเสียสมาธิทําจิตใจให้ไม่สงบไม่ได้ พอมันมันพวักพวนนะดับไว้ซะก่อนพอดับแล้วก่อนนะเราจะนั่งอยู่ในมุมสงบในห้องแอร์ก็ได้ห้องพระก็ได้นั่งเหมือนพระประธานนะหรือว่านั่งพระเพียบก็ไดนะ้หรือนั่งเก้าอี้ก็ได้จุดแท้แต่เราจะนั่งจากนั้นเอามือถ้าสำรวมมือประสานกันแล้วกันไหว้ในระดับแรกไหว้ครูซะก่อนไหวก้ก็คือยกมือไหว้ขึ้นในระหว่างอกลำเลึกถึง โธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงพ อ, อมือลงแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ท, ทาใจให้สบา ย, บายไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่ต้องตามเข้าไปในท้องนะไม่ต้องตามออกไปข้างนอกให้อยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธ ในี่วิธีการภาวนาจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบะเมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ดตัวตนเองนอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านจิตใจสงบที่โคนที่โคนต้นโพนิเมื่อสองพันกว่าปีจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งลำดึกชาติหนหลังได้ปุเพนิวาสานุสติญาณเพราะฉ น, นั้นพระพุทธองค์ยืนยันเลยนะพุทธศาสนาเนะ น, นี่ยยืนยนว่าตายและไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีก ถ้าตายแล้วศูนย์นจะล้ำลึกชาติโหนหลังได้ยังไงฮหลวงพ่อพูดเน้นจุดนี้ไว้อยู่เสมอว่าตายแล้วเกิดนะเอใครทํากรรมไม่ดีไว้กรรมนั่นจะตามฉนองถ้าไทยทํากรรมชั่วไว้กรรมชั่วจะตามฉนองเหมือนกันถ้าไทยทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าทําพราะพระ大爷เจ้าอะกระตังดูกรตังเสยโยปัจฉาตปฏิดุกกตังความชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่า เพราะความชั่วเมื่อทําแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละเมื่อเราทําจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ากายกับใจนี่มันอาศัยกันนะไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนะจ๊เนี่ยพอจิตสงบละเหมือนกับรถกับคนกับรถอย่างนั้นนะ่ะทายาติโอมพวกเราเนะี่ยทาจิตใจให้สงบแล้วพอจิตรวมสงบลงไปแล้วนะ่รถกับคนขับรถร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจคือตัวผู้รู้นามะทําเลย เหมือนกับคนขับรถคนกับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวใครแต่อาศัยกันรถจะไปได้ต้องอาศัยคนถ้าคนไม่มีรถก็ลําบากเหมือนกัน เ, เพราะนั้นมันต้องให้ดูให้ดีเนี่แหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องโซเฟอร์รถมากกว่ารถนะทิดมนโนปุพังคมาธรมามนโเามนเสรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยพระ พ, พุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถนะเพราะนั้นอันนี้คือพูดเป็นแนวทางให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะถ้าอธิบายให้ยืดยาวไปกว่า น, นี้เดี๋ยวพวกกูบายทั้งหลายจะไม่ได้ฉันอาหารเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะเอารับพร